ตอนนีชาวพุทธเรานะมอนคล้ายๆสมัยกรุงจะแตกใครจะช่วยบ้านเมืองได้ต้องช่วยสมัยโบราณยุคนี้ใครจะช่วยคุ้มครองรักษาพระาศาสนาได้ก็ต้องช่วยทุกคนสาคัญมากเลยพุทธาศาสนาจริงๆเป็นาศาสนาของคนซึ่งมีปัญญามากแลพ้นทุกข์ด้วยปัญญามันยากที่คนส่วนใหญ่จะเข้าถึง ให้นั่งสมาธิง่ายกว่าเยอะเลยอย่างถ้าหลวงพ่อสอนนั่งสมาธิหลวงพ่อไม่เหนื่อยเท่านี้ให้ทุกคนนั่งทำกรรมฐ า, านสักอย่างหนึ่งเราก็นั่งเราไปด้วยนานๆแอบออกมาดูทีหนึ่งเฮ้ยสอนเป็นวันๆสบายไม่เหนื่อยหรอกอันนี้ต้องดูคนฟังมากเลยคนเยอะๆนะถ้าคนเยอะๆแล้วภูมิหลังกใกล้เคียงกันเนี่ยสอนง่ายภูมิหลังแตกต่างกันมากเนี่ยสอนยาก คนไทยกับฝรั่งต่างกันคนไทยสอนได้นะศีลสมาธิปัญญาอะไรเนะี่ยพอถึงขั้นปัญญาสอนทุกสมูทยัยนิโรธมรรคได้ฝรั่งเริ่มจากทุกไม่เอาละเริ่มจากทุกเ้าไม่เอาเราก็เริ่มจากนิโรธสิเรื่องอะไรต้องไปเริ่มจากทุกละรู้จากนิโรธแล้วก็มารู้วิธีไปสู่นิโรธคือการเจริญมรรค ไม่ชอบศีลก่อนเราก็เอาปัญญากดวุฒิธรรมะนะพลิกแปลงได้เยอะแ ย, ยะไปไม่มีหลักสูตรสำเร็จรูปคนแต่ละคนนะ้ต้องการธรรมะวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันแต่เมื่อปฏิบัติแล้วนะเข้าไปสู่ส ภ, ภาวะอันเดียวกันคือความบริสุทธิ์หลุดพ้นความเป็นอิสระพวกเราพอนามานนานเห็นได้ยังว่าเราเป็นาธาตุตัวออกอยังใครเห็นแล้วยกมือหน่อย โอ้ธาตุมากเขาเลิกธาตุไปตั้งแต่รายการที the 5, the the the ่ห้าดัง <Exactly> นั yeah. <Die> ้นธาตุทางร่างกายอ布拉ห์มริมคอนเลิกธาตุในรายการที่ห้าก็เลิกธาตุดังนั้นธาตุทางร่างกายแต่ธาตุทางใจเนี่ยพระเจ้าพราเลิกมานานแล้วแต่มันไม่ค่อยมีคนยอมเลิกมันเต็มใจเป็นธาตุแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นธาตุปัญหาอยู่ตรงเนี้ยถ้าเราหัดสังเกตใจเราเรื่อยๆเราจะรู้เลย ความอยากเกิดขึ้นที่ไรนะความดิ้นรนทางใจก็เกิดที่นั้นความดิ้นรนทางใจเกิดที่ไรนะความทุกข์ความเครียดในใจก็เกิดที่นั้นนะันใจเราจะเต็มไปด้วยความทุกข์ที่ว่ารู้ทุกข์รู้ทุกข์ไม่ได้รู้ที่ไหนหรอกรู้ในใจเรานี่เองเห็นเลยมันมีความอยากขึ้นมากดดันกดดันให้เราต้องดิ้นรนไปตามที่มันสั่ง ต้องวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดอย่างที่มันสั่งเมื่อเช้าหลวงพ่อก็สอนส่วนหนึ่งไปแล้วสอนว่า objective ของการปฏิบัตินะคือต้องหลุดพ้นให้ได้พ้นจากความเป็นทาตให้ได้แล้วเข้าถึงความบริสุทธ์สว่างไสวของจิตใจมีความสุขอันมหาศาลไม่แปลกปลนและความสุข ยัางสมาธิยังแปรปลวนอยู่เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวไม่สุขนั้นเราต้องการของที่ดีกว่านั้นจุดหมายปลายทางวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติ เ, เพื่อ ย, ยกระดับจิตใจของเราให้เป็นอิสระแล้วก็เข้าถึงความสุขอันมหาศาลความสุขมันต่างกันมากอย่างคนเข้าสมาธิได้นะจะรู้เลยความสุขอย่างโลกโลกนีต่าต้อยมาก ถ้าคนเข้าขถึงความสุขในธรรมะแล้วะจะรู้ว่าความสุขของสมาธิก็าตาต้อยเหมือนกันเป็นชั้นๆไปแต่ดีกว่าความสุขอย่างโลกๆความสุขอย่างโลกๆเป็นความสุขที่ปนเปื้อนปนเปื้อนมากเลยยิ่งทาให้เราเป็นทาตมากขึ้นอย่างเรารักผู้หญิงสักคนหนึ่งพอเริ่มรักก็เริ่มเป็นทาต์แล้วต้องคอยเอาใจเขาเรามีอะไรนะเราก็ตกเป็นทาต์ของสิ่งนั้นไปทุกทีเลยเราเป็นเจ้าหน่ายไม่เป็น ถ้าเป็นเจ้านายเป็นเขาสบายหน่อยอย่างเรามีรถยนต์สักคันนะเราเป็นเจ้านายมันคือเราใช้งานมันดูแลมันเท่าที่จำเป็นแต่ถ้ามันเป็นเจ้านายเรานะเราห่วงมันเราห่วงแหนเราห่วงกลัวมันจะชำรุดกลัวมันเสียหายวันๆแล้วก็คอยดูแลหมดเวลาไปกับการดูแลเจ้านาย เรามีเจ้านายตั้งเยอะตั้งแยะเจ้านายอยู่ข้างนอกก็มีเจ้านายอยู่ข้างในก็มีร่างกายเราก็เป็นเจ้านายเราตื่นเช้ามาก็ต้องปนนิบัติมันต้องทางานดูแลมันตั้งมากมายแต่นี้เป็นเรื่องจำเป็นแต่เจ้านายทางใจคือความอยากเนี่ยไม่มีความจำเป็นเลยถ้าข้ามันตายได้จิตใจจะมีสันติสุข มีความสงบสุขมีความสุขจากความสงบสันติเพราะฉะนั้นเรามุ่งจุดหมายปลายทางการปฏิบัติก็คือยกระดับใจเราจนเป็นอิสระยกระดับใจเราจนเข้าถึงความสุขที่แท้จริงสิ่งที่จะต้องเรียนต่อไปก็คือ how to ทํำยังไงจะไปตรงนั้นนี่คือสิ่งที่จะต้องเรียนกัน ศา ส, สนาพุทธไม่ใช่ปรัชญาไม่ใช่เมตตาฟิสิก์พูดอะไรลอยๆจับต้องไม่ได้ทุกสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะพิสูจน์ได้มันจะเป็นเรื่องของเหตุกับผลเพราะมีเหตุอย่างนี้จึงมีผลอย่างนี้เพราะมีเหตุอย่างนี้จึงมีผลอย่างนี้สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุ ด, ดับสิ่งนั้นก็ดับคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจตรงนี้ไม่ชอบไปมุ่งที่ผล อยัางอยากมีความสุขก็มุ่งทำใจให้มีความสุขอันนี้มุ่งไปทำความสุขขึ้นมาไม่ได้ทำเหตุถ้าจะทำเหตุให้มีความสุขก็ต้องมาขจัดเจ้านายที่มันมาปกครองเราที่ทำให้เราตกเป็นทาสมันปลดปล่อยข่าเจ้านายตายนะฆ่านายทาส ต, ตายเราก็พ้นจากความเป็นทาสมีความสุขมีความเป็นอิสระขึ้นมา วิธีการวิธีการที่จะจัดการกับเจ้านายผู้ชั่วร้ายลึกลับใช้การคอยสังเกตเอาไม่ใช่การคิดไม่ใช่การพยายามต่อสู้คนสมัยพุทธเจ้าก่อนพุทธเจ้าอีกเขาก็รู้ว่าความอยากหรือตัวตัณหาเนี่ยเป็นเจ้านายเขาหาทางต่อสู้เหมือนกัน เช่นมันอยากกินก็ไม่ยอมกินมันอยากนอนไม่ยอมนอนมันรักร่างกายนี้มากนะก็แกล้งทรมานร่างกายมันอยากมีความสุขก็แกล้งทําให้มันมีความทุกข์อย่างนะี้อันนั้นคือวิธีปฏิเสธต่อสู้ในทางน egative มีความอยากอย่างนี้ก็แกล้งทําไปอีกอย่างหนึ่งมันก็คืออยากจะพ้นจากความอยากมันซ้อนเข้าไปอีกเป็นความอยากที่จะพ้นจากความอยาก พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนวิธีที่เด็กๆอย่างนั้นท่านสอนให้เผชิญหน้ากับมันเรียนรู้มันความอยากใดๆเกิดขึ้นในใจให้คอยรู้ความอยากใดๆเกิดขึ้นในใจให้คอยรู้รู้สบายๆเกิดได้ไม่ห้ามนะความอยากจะเกิดก็ไม่ห้ามมันแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเรารู้ทันความอยากนั้นมันเป็นเจ้าหนายลึกๆเนี่ยแต่ถ้าเรารู้ทันเมื่อไหร่นะมันจะหลบหน้าไป หายไปชั่วคราวเดี๋ยวเผลอๆแล้วมาใหม่เนี่ยให้คอยรู้เอาอย่าไปให้อยากซ้อนอยากเห็นเห็นความอยากเกิดขึ้นแล้วก็เลยอยากจะละความอยากดังนั้นความอยากซ้อนเข้าไปอีกใช้ไม่ได้ยิ่งยุ่งหนักกว่าเก่าอีกให้รู้ทันเลยใจเราอยากอะไรขึ้นมานะอยากได้น้นอยากดูวันนี้อยากกินอันโน้นอยากคิดเรื่องนี้ใจมีความอยากอะไรเกิดขึ้นรู้ๆไปเรื่อยๆ เราจะเห็นว่าความอยากกระใจะเป็นคนลาอันกันจิตใจของเราเป็นคนดูความอยากมันมาให้จิตใจเห็นพอจิตใจเห็นมันมันก็หายไปใจล้วก็ไม่ถูกความอยากครอบงำนะเนี่ยเบื้องต้นหัดแค่นี้ก็พอละแล้วต่อไปเราจะทําลายต้นต่อของความอยากอีกทีหนึ่งอันนี้แค่ถ้าเป็นสงครามนะเป็นสงครามในระดับที่ข่าสึกมาคือความอยากมา เราก็ต่อสู้มันว่ามันก็ถอยไปเดี๋ยวมันก็มาใหม่งินวิธีที่ว่าพอความอยากเกิดขึ้นเราก็รู้ทันแล้วมันก็ถอยไปเดี๋ยวมันก็มาอีกเราก็รู้อีกมันก็ถอยอีกอันนี้ยังสงครามในขั้นยันอยู่ยังไม่ใช่สงครามในขั้นที่เรารุกเข้าทำลายมันงั้การปฏิบัติก็มีหลายระดับระดับเบื้องต้นก็แค่คุ้มครองตัวเองไม่ให้ถูกความอยากมาย่ำหยีหัวใจเรา ระดับสุดท้ายเนี่ยจะเข้าไปทำลายรักเง่าต้นต่อของความอยากเลยนะตัวนั้นถึงวันหนึ่งนะถ้าเราพอนาไปเรื่อยๆแันก็ทำลายต้นต่อของมันต้นต่อของความอยากคือความโง่ของเราเองนะคือความไม่รู้นะเรียกว่าตัวอวิชชานะอันนี้เป็นตัวเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังพูดทีเดียวเดี๋ยวงงนะ วันนี้คนไทยต้องทนหน่อยนะฟังที่ไม่ค่อยถูกวัฒนธรรมเราต้องแยกให้ออกนะระหว่างศาสนากับวัฒนธรรมโคโรนนะธรรมะกับวัฒนธรรมสิ่งที่เราพยายามรักษาสืบทอดอยู่คือธรรมะคำสอนของพระเจ้าจะอยู่ในวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมจีนวัฒนธรรมฝรั่งอะไรได้ทั้งนั้นนะ เงี้ฝรั่งมาเรีย น, นเขาก็ต้องเป็นฝรั่งต่อไปอยู่ในวัฒนธรรมเดิมของเขาไม่ต้องมาเปลี่ยนเป็นคนไทยไม่ต้องมานั่งกับพื้นไม่ต้องมากราบมาไหว้แบบคนไทยเจอพระก็เช็คแขนได้เนี <c oughs> ่ยนั่นไม่ใช่เรื่องธรรมะเลยเป็นเรื่องวัฒนธรรมแต่ละชาติไม่เหมือนกันแต่ถ้าเขามาเมืองไทยแล้วเขาฉลาดเขาก็ใช้วัฒนธรรมไทยใช่ไหมเขาก็เป็นที่รักคนไทยเห็นก็ชอบอย่างเงี้ย หรือเราไปยุโรปเราก็ใช้วัฒนธรรมของเขาเขาก็ชอบก็เป็นมิตรกันง่ายแต่ไม่เกี่ยวกับตัวธรรมะธรรมะเป็นความรู้ความเข้าใจของเราเองเหมือนสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยพยายามทำงานอยู่ทุกวันนี้นะเพื่อสืบทอดธรรมะนะไม่ใช่สืบทอดวัฒนธรรมสังเกตใจตัวเองนะเครื่องมือที่เราจะใช้คือการสังเกตไม่ใช่การคิด จะใช้การสังเกตความอยากอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้แล้วถ้าสังเกตอยู่ที่ใจเรื่อยๆไปเราจะพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในใจไม่ได้มีแค่ความอยากสิ่งที่เกิดในใจมีเยอะแยะเลยความสุขก็มีความทุกข์ก็มีความเฉยๆก็มีความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่ดีใจเสียใจ คนไทยเรามีศัพท์เกี่ยวกับจิตใจ200กว่าคำของฝรั่งมีน้อยกว่าดีกรีของเราแยกดีกรีดนะ้วยมีระดับความเข้มอย่างความโกรธระดับนี้เรียกอย่างนี้เรียกอย่างนี้นั่จะประนีตแต่ถ้าเขาหัดดูภาวะนะเขาไม่มีภาษาเรียกก็ไม่เป็นไรนะเขาเห็นเห็นความรู้สึกที่เกิดภาษาไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องมีภาษา ให้เห็นสภาวะจริงๆที่เกิดขึ้นในใจเท่านั้นแหละแล้วสภาวะที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในใจอันนั้นแหละจะสอนธรรมะเราสอนว่าอะไรสอนว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปอันนี้ตรวจกันบ้านก่อนอาวกาบพัสการหลวงพ่อ <c oughs> อืมฟุงซานค่ะตื่นเต้น ข, ข, อขอคำชี้แนะค่ะทำไมต้องมาขอเห็นฟุง้งซ่านไหมห อ, อ, อยากแก้เปล่าอยากค่ะก็แค่นั้นเองอยากอยากจะเปลี่ยนแปลงมันใจไม่เป็นกลางอับมันรู้ไปง่ายๆไม่เห็นต้องถามเลยธรรมะ <c oughs> <c oughs> ความรู้สึก อ, อะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปไม่เข้าไปแทรกแซงมันรู้ไปตามธรรมชาติธรรมดา ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์กระทบไปตามธรรมดามีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดแต่กระทบแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วก็รู้เอาเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วแล้วยินดีให้รู้ทันยินได้ให้รู้ทันะรู้ทันแล้วมันเป็นกลางไม่ดิ้นรนต่อไม่มีความอยากว่าต้องอย่างโน้นต้องอย่าง น, น, องอางนี้เรียนธรรมะไม่มีคําว่าต้องต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ไม่มี ไม่มีคำว่าห้ามห้ามอย่างน้น้นห้ามอย่างนี้ไม่มีมีแต่รู้มันอย่างที่มันกาลังเป็นอยู่ง่ายๆไม่มีอะไรหรอกแล้วใจมันจะรู้ขึ้นมาด้วยตัวเองน้ำมัสาการครับหลวงพ่ อ, เ, อเมื่อกี้เห็นตื่นเต้นรู้สึกว่ามันทุกข์จังเลยครับมันใส่ๆยอยู่ยกลางนความตื่นเต้นไม่ได้ทำให้ทุกข์ความไม่อยากตื่นเต้นอะ่ะมันทำให้ทุกข์นะอยากหาย ตัวที่ทำให้เราทุกข์ทางใจกนะ็คือตัวตัณหาตัวอยากความตื่นเต้นเป็นแค่สภาวะความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไม่ได้ทำให้เราเป็นทุกข์ความอยากไม่ให้มันมีแล้วมันต้องมีก็เลยเป็นทุกข์อยากให้มันหายเร็วๆมันไม่หายก็เลยเป็นทุกข์นั่นตัวที่ทำให้เราทุกข์คือตัวอยากนั่นแหละสภาวะทั้งหลายมีอยู่ไม่ได้ทาให้เราทุกข์ต้องไงอีก คือที่ผ่านมาครับผมเห็นว่าวันไหนที่สติปัญญาดีครับจเจริญวันนั้นกามคุณจะแทรกเยอะครับแล้ววันไหนที่แบบดูไม่ออกเลยไม่จเจริญครับตอนนั้นรู้สึกว่าโวงสามมันจะแทรกเยอะครับตัวไหนแทรกไม่สำคัญนะนะสำคัญที่รู้อย่างที่มันเป็นเราไม่ได้พาณนาเอาดีไม่ได้พาณนาเอาสุขไม่ได้พาวนาเอาสงบเพราะดีก็อยู่ชั่วคราว ความสุขก็อยู่ชั่วคราวความสงบก็อยู่ชั่วคราวเราเรียนจนเราเป็นอิสระความสุขหรือความทุกมาความดีหรือความชั่วมาความสงบหรือความฟุ้งซ่านมาใจเราก็เป็นกลางเราเป็นอิสระต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหลวงพ่อมีข้อเสนอแนะแ น, น, นะไรมาไหครับอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ทําำสมาธิเนี่ยเรามาใช้กันตอนนี้แหละงั้นบางคนที่ติดสมาธิก็ไม่ใช่ว่าเลิกเลย พอเจริญวิปัสนาเจริญปัญญาเป็นถึงชุดหนึ่ง <c oughs> ก็ต้องมาทำความสงบให้จิตใจได้พักผ่อน่าจิตใจได้พักผ่อนมีแรงแล้ว <c oughs> ก็ออกมาทำงานต่อมาดูความจริง <c oughs> ในกายในใจนี้ต่อนะต้องเดินอย่างนั้นงั้นสมาธิที่ฝึกกันมาไม่ได้ยกเลิกไปแต่เราจะเรียนสิ่งที่มากกว่านั้นอีกคือการจเจริญปัญญาการดูกายดูใจอย่างที่มันเป็น เดืดูไปช่วงหนึ่งมันหมดแรงหมดแรงก็ทําสมาธิให้ได้พักผ่อนนะนบนมัสการครับหลวงพ่อให้ไปดูใจที่ลงไปคิดครับ <c oughs> มันลงไปทางตาแล้วก็ลงไปทางใจครับออบางาทีมันลงไปทางตาแล้วครับมันมันรู้สึกว่ามีตัวหนึ่งครับที่มันน่าเกลียดบางทีมันก็ลงไปแทรกแซงไ้ครับ แต่ไม่เห็นตอนที่มันไปครับส่วนมากจะไหลเป็นเรื่องราวแล้วจะเห็นบ่อยครับทุนนี้ถูกแล้วเย่าไปดักดูไว้ก่อนถ้าดักดูแล้วไม่ไปมันจะแน่นๆแนับให้มันหลงไปก่อนเรารู้ว่าหลงถูกแล้วให้มันโลภเราเรารู้ว่าโลภมันโกรธล้วรู้ว่าโกรธถูกแล้วครับแล้วหลวงพ่อแนะนําให้ทําอะไรเพิ่มทําถูกแล้วล่ ะ, ะ, ะยังเขนไม่จิตมันเบิกบานอยู่ในตัวเองนี่ขนาดฝึกไม่นานนะ มนเป็นความสุขซึ่งไม่เคยพบไม่เคยเห็นอะสุขอย่างนี้เป็นความสุขที่ประนีตอบอุ่นนุ่มนวลอยู่ในใจนแล้วก็ความทุกข์ที่มันกระทบเข้ามามันสั้นลงชั่นมันอยู่นอกๆอะ น, นะมันอยู่ข้างนอกๆเวลาภาวนามีความสุขมีความสุขเนี่ยสุขอย่างนี้มีสติมีสมาธินะมีความสุขขึ้นมาไม่ต้องไปนั่งหลับตาซะหน่อย แล้วมันประณีดกันเยอะเลยสูอย่างนั้นสูกแบบเสพติดพอจะออกมาก็เสียด <c oughs> <c oughs> ายอ้าวหนูรู้สึกว่าหนูสับสนน่ะแล้วเมื่อกี้หนูยอมรับเลยว่าหนูเห็นว่าตัวหนูกระโจนไปจับไมค์ก่อนชาวบ้านแล้วฮะดีะแค่นั้นอะพอแล้วเพราะว่าหนูหนูยอมแับว่าตอนนี้หนูงงและสับสนเอามากๆไม่ต้องทำไรค่ะ <c oughs> ไม่ต้องหาคําตอบรู้ว่ากําลังงงเห็นไหมความงงมันมาได้เองเห็นค่ะแค่นั้นก็พอแล้ว <c oughs> จะเอาอะไรคะแต่ว่าเขาขาถามได้ไหมเจ้าค่ะคือ <c oughs> มีความรู้สึกว่าเอาแต่เมื่อวานนะเจ้าคะพุ่งซ่านในขณะที่พุ่งซ่านก็เห็นตัวนิ่งในขณะเห็นตัวนิ่งเห็นความเบิกบานงงว่ามันเกิดมาได้ยังไงเออนั่นแหละฟุ่งซ่านก็ส่วนของฟุ่งซ่านนะจิต ที่มันแยกออกมาจากความฟุ้งซ่านมันสงบมันเบิกบานมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่มันนิ่งเพราะว่าตอนที่เขาเปิดอะไรดังๆเห็นแล้วว่าใจไม่กระเทือนมันมันนิ่งผิดปกติค่ะต้องดูอย่างนี้ท่านิ่งแล้วมันแน่นๆหน่อยนะแสดงว่าเพ่งนิ่งแล้วแน่นๆนะถ้ามันนิ่งสบายเบาโปร่งเนี้ยอันนี้นิ่งถูกต้องถ้านิ่งแล้วแข็งๆไม่ถูกแล้วมันก็ ไอต้ตัวนิ่งตัวนั้นมันก็ทำบางบางวูบก็เห็นตัวอนัตตาเลยไม่เข้าใจว่ามันเป็นอกุศลแล้วทําไมมันเห็นกุศลแล้วอกุศลเป็นปัจจัยของกุศลก็ได้มันคนละขณะจิตกันในขณะที่เป็นอกุศลนะีขณะหนึ่งสติเกิดขณะนี้ไม่ใช่อกุศลมันจะเห็นว่าเมื่อกี้มีอกุศลพอกําลังจะส่งกันบ้านก็ ใจมันก็เริ่มนิ่งแล้วก็รู้สึกไม่ชอบไ ม, อไม่ชอบให้รู้<ะ>รู้ว่าไม่ชอบถ้ามันนิ่งมากทำไงลืมมันไปเลยรู้สึกร่างกายเอาใหม่เห็นหน้ากายเคลื่อนไหวง่ายๆจินไปติดล็อกอยู่มาดูกายก็หลุดละตอนนี้ก็ใช้ถ้าถ้าเกิดอาการแบบนี้ก็จะกลับมาดูกายอย่างเมื่อวานก็ใช้วิธีพัดแล้วก็รู้สึกรู้สึกไปอะ่ะซีมกันพูดถึงพัดเอาบ้าง เร า, เาก็มีารเรียนมาสการค่ะเพิ่งมาครั้งแรกนะคะอความรู้สึ ก, กมาครั้งแรกก็เดินชงกรมแล้วเวทนามันก็ติดคือเดินไปเหมือนว่าเราก็เหยียบเหยียบกับเท้าอะค่ะเหมือนติดอยู่ปัจจุบันปัจจุบันนะคะก็เกิดเวทนาที่เท้าค่ะมนโดนสัมผัสอืค่ะแล้วแล้วก็มาสํารวจกายค่ะลานอนเราก็สํารวจลมหายใจเข้าออกค่ะ อาการนี้มันเป็นยังไงคะพันจ๊ะเี๋ยวไปทําไปก่อนะนะให้ใจมันวนเวียนอยู่ในกายในใจไปก่อนอย่างนี้แหละอา้าวต่อไปนมาตการค่ะหลวงพ่อหมอหมอเองว่าไงคือช่วงที่ผ่านมานี่มันมีภาวะหนึ่งที่สงสัยอยู่ว่าปกติเนี่ยมันในในในใ น, ในตามเหตุตามผลมันน่าจะเป็นใจไหวแล้วถึงจะเห็นกายมันเคลื่อนน่ะ แต่ว่าตอนช่วงที่ผ่านมาจะมีบางครั้งที่แบบรู้สึกว่ากายมันยุกยี่ก็ค่อยใบุพอย้อนกลับมาดูใจแล้วใจมันนิ่งๆไม่รู้ว่าใจมันไหวหรือว่าแบบเรามองไม่หรือมันหรือมันติดล็อกว่ามองมองไม่กาก็กายนะใจก็ใจนะคนละอันกันนะเวลาเวลาจิตมันไม่ได้เข้าไปยินดีร้ายอะไรนะร่างกายมันก็ทํางานไปเคลื่อนไหวไปใจมันเป็นแค่คนดูสบายๆมันก็นิ่งๆไม่ได้ทําอะไรแต่ถ้านิ่งแล้วแข็งๆอันนั้นอาะถึงจะแทรกแสง แต่ถ้านิ่งสบายๆใจปลอดโปร่งโล่งเบานะนั้นถูกแล้วคือบางครั้งเนี่ยรู้สึกว่าหน้าตัวเองมันอมยิ้มขึ้นม า, มาเวลาเห็นอะไรขำๆนั่นแหละดีแล้วละ่ะแต่ว่าพอย้อนมาดูใจไม่เห็นใจมันขำอย่างเงี้ยนะเออไม่เป็นไรบางทีมันก็เป็นอย่างนั้นแหละถาคุณค่ะนามส ก, การค่ะคือช่วงปีใหม่นะคะเคยปฏิบัติทำและทีนี้ เกิดปวดหัวนะคะอืผู้อาจารย์ท่านให้กําหนดปวดเพ่งไปที่ปวดอืก็เลยมันก็เลยเห็นในสมาธินะคะอืเป็นตัวอะไรเหมือนเลือ้อยอยู่ในหัวโอ้แล้วทีนี้พอ อ, ออกจากสมาธิมันก็จะเลือ้อยตลอดี่ไปเข้าสมาธิสิ<า>มันหลอดเอาแล้วค่ะ<า>นั่งสมาธิอ่ะนั่งให้มันมีสติรู้เนะื้อรู้ตัวดูกายดูใจทํางานไป อย่าไปดูนิมิตนะค่ะทีนี้ตอนนี้ก็ยังตอนไม่ได้เข้าสมาธิก็ยังปวดตลอดแคลค่ะเจริญเมตตาไปเรื่อยๆนะอย่าไปสนใจมันบริกรรมไปเมตตาคุณังอรหังเมตตาเมตตาคุณังอรหังเมตตาไม่ต้องไปสนใจมันค่ะอยากให้หลวงพ่อช่วยแก้ให้ค่ะโอ้แก้ไม่ได้มันอยู่ที่กรรมมันเป็นแคลคขาออนแรงนะคะเออบริกรรมไปเรื่อยๆนะ ใจลราเป็นบุญเป็นกุศลมันมีพลังงานขึ้นมาอย่างนี้จะมีโอกาสหายไหมคะหายสิไม่ได้เป็นอมาภะานี่อ๋อขาแขนขาอ่อนแรงแล้วก็มันจะใจสัน่นใจ<อ>มันจะช็อกนะคะเอชอช็อกก็ช่างมันเรื่องของใจปฏิบัติไม่ได้เลยอย<ด>่ย<ม>แต่แตปฏิบัติมันตอนนี้ได้แต่สวดมนต์อย่างเดียวเออสวดมนต์อย่างเดียวก็พอละนะยังไงก็ฝากเป็นฝากตายไว้กับพระพุทธเจ้า